อยู่ในตำบลโดยที่หมู่บ้านนั้นๆมีวัดเป็นศูนย์กลางและชุมชนมีความสมบูรณ์ในตัวเองแล้วชุมชนเหล่านี้ก็เชื่อมประสานกันอย่างประเพณีทอดกะถินทอดพระปานีชุมชนนี้พากันไปทอดกะถินที่วัดโน้นก็คือชุมชนหนึ่งนี้ไปประสานร่วมมือแสดงน้ำใจต่ออีกชุมชนหนึ่งซึ่งทำกันเรื่อยมาทว่าตามระบบประเพณี